พระโรหณะเทระได้รับมอบธุระเพื่อให้หนาคเกษกูมานได้บรรพชาเมื่อมาถึงแล้วพระอัสสะคุตะเทระจึงถามพระพิสุสง์เหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพิสุที่ไม่ได้มาในที่ประชุมสงนี้มีอยู่หรือมีพระพิสุองคหนึ่งตอบว่ามีอยู่ครับคือพระโรหณะเทระ ท่านไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ภูเขาหิมพานได้เจ็ดวันแล้วพวกเราควรจะใช้ทูตไปหาพอดีในขณะนั้นพระโลหณะเทระก็ออกจากนิโรธสมาบัตินึกรู้ความประสงค์พระอรหันต์ทั้งหลายว่าต้องการพบเราจึงได้หายวับจากภูเขาหิมพานมาปรากฏที่ถ้ำรักิตะเลนะ ต่อหน้าพระอรหันต์ร้อยโกรธครั้งนั้นพระอรหันต์ร้อยโกรธจึงกล่าวขึ้นว่านี่เน่ท่านโรหณนะเมื่อพระาศาสนากำลังถูกกระทบกระเทือนเหตุไรท่านจึงไม่รู้จักช่วยเหลือไม่เหลียวแลจิจเหมือนสงพระโรหณนะจึงตอบว่าเป็นเพราะข้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดจิตไว้ พระสงฆ์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจะลงธนกรรมท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่ได้ใส่ใจในกิจของพระศาสนาพระโรหณะจึงถามอีกว่าจะลงธนกรรมข้าพเจ้าอย่างไรพระสงฆ์ตอบว่านี่แนะี่ท่านโรหณนะมีบ้านพราหมณ์ตาบลหนึ่งชื่อว่าชังคระช้างป่าหิมพาน มีพราหมู้หนึ่งชื่อว่าโสนุตระอยู่ในบ้านนั้นเขามีบุตรชื่อนาคเเสนกุมารท่านจงพยายามไปบินทบาต ท, ที่ตระกูล น, นั้นให้กุมารออกบรรพชาให้ได้เมื่อนาคเกษนกุมารได้บรรพชาแล้วท่านจึงจะพ้นจากนธนกรรมนั้น